เรื่องมหาสติปัฏฐานตอนที่สี่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวันนี้เรามาว่ากันต่อในเรื่องสติปัฏฐานทั้งสี่ที่ค้างๆเอาไว้อางวันก่อนๆโดยเฉพาะเราได้พูดกันมาแล้วหลายตอนทำความเข้าใจเบื้องต้นกันมาในเรื่องกาย แย่าชัดเจนละเอียดพอสมควรวันนี้เราจะไม่เสียเวลากันเอกควรจะพูดให้มันจบลงไปแต่มันก็ต้องมาต้องเสียเวลากันดีๆเพราะว่ามีผู้มาเพิ่มมีผู้มาใหม่จยกกระหม o กับคณะใหม่ก็เห็นที่จะต้องขอเท้าความเพื่อจะต้องสารต่อกันให้มันติด ท่านผู้มาใหม่ก็จะพอมองเห็นโครงสร้างเห็นแนวสังเขปเรื่องที่เราได้พูดกันมาและที่เรากําลังกระทํากันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วผู้ที่โยมาเนินนานฟังมาประจําก็เข้าใจเข้าใจก็ขอเท้าความเพื่อไม่ให้เสียเวลาจะได้สารต่อไปจะให้มันจบลงในวันนี้ <c oughs> จะได้พูดเรื่องอื่นกัน ในวันต่อๆไปเข้าใจกันหลายแง่หลายมุมเข้าจะได้หมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติวันก่อนเราพูด ก, กันเรื่องการปฏิบัติโดยทั่วๆไปมันมีหลายเทคนิคหลายแบบหลายแผนหลายครูบาหลายอาจารย์จนกลายมาเป็นแบบของอาจารย์นั้นอาจารย์นี้แต่วันนี้ เราได้พูดกันมาแล้วจนถึงวันนี้เรามาพูดแบบของพระพุทธเจ้าพุทธดาเทคนิคไม่ต้องเป็นมหาศีเทคนิคคืออาจารย์มั่นเทคนิคอาจารย์พุทธทาเทคนิคอีกน่าก็จะมีอาจารย์สับพพเทคนิคเข้ามาไม่ดีเดี๋ยวจะลืมพระพุทธเจ้า เอาว่วาแบบของพระพุทธเจ้าดีกว่านอ้อ <c> พ <oughs> ระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องสติปัฏฐานสี่ว่าวาหนทางนี้เป็นทางไปอันเอกดังเรากลับมาแล้วนั่นไปสู่ไปสู่สความดับแห่งความโศความสิ้นสูญแห่งความทุกข์ไม่มีเหลือเลยไม่ใช่ไปทางกายดอกไปทางจิตท่านในตัาของท่านเอาไว้ และในเรื่องของสติปัะทานพูดภาษาบาลงนงงานาางก็คือเรื่องสนามปฏิบัติการทางสติปัญญาเป็นพาหนะสำหรับจิตใจจะได้ขี่ไปจะได้ไปเปิดกุญแจประตูแห่งความเลนรับของชีวิต ชีวิตทั้งชีวิตมันมีเรื่องกาย <c oughs> เรื่องเวทนาเรื่องจิตแล้วก็เรื่องสภาวะธรรมที่มีอยู่ในกายในเวทนาในจิตทา่านสรางให้รู้จักสิ่งที่ยากที่สุดจนถึงสิ่งละเอียดที่สุดทําความเข้าใจมันให้ได้เบื้องต้นทําความเข้าใจสิ่งที่หยาบที่สุดคือเรื่องกายพอเข้าใจเรื่องกายแล้วควบคุมอยู่ใต้อํานาจได้มันก็จะเกิด ความรู้สึกนึกคิดคือเกิดเวทนาและเกิด ก, การปรุงแต่งของจิตก็รู้จากความรู้สึกนึกคิดคือรู้จากเวทนาและความคิดความปรุงแต่งของจิตเมื่อเข้าใจเวทนาซึ่งละเอียดกว่าเรื่องกายแล้วก็มาเข้าใจจิตซึ่งเป็นตัวเสพสวรเป็นเจ้าของ สิ่งต่างๆเหล่านั้นเจ้าของเวทนาเจ้าของกายก็จะเห็นความเล้นลับของตัวจิตธรรมชาติของจิตแล้วก็มาดูสภาวะกฎของธรรมชาติและตัวธรรมชาติเองซึ่งมันเกิดไม่อยู่ในกายในเวทนาในจิตเรียกว่าธรรมทัท้งสั้นเกิดขึ้นเสื่อมไปทั้งความเกิดและความเสื่อมอยู่ในกาย ความเกิดขึ้นความเสื่อมอยู่ในเวทนาเกิดขึ้นความเสื่อมในจิตแล้วก็ตัวสภาวธรรมนั้นก็มีความเกิดขึ้นความเสื่อมอยู่ในตัวมันเช่นความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมลงไปในตัวมันเองไม่จะโกรธอยู่ทั้งประทั้งชาติ น, น, านั่นแหละเพื่อสั้นๆวัดธรรมเมื่อมารู้จักมันอืงก็จะได้เห็นชีวิตทั้งชีวิตกายเวทนาจิตธรรม ส่วนที่เป็นกายส่วนที่เป็นจิตส่วนที่ประกอบไปอยู่ในตัวจิตนั่นเออจิตเข้าไปประกอบงมันนั่นและก็ส่วนที่มันควบคุมมีอยู่เป็นอยู่เองโดยธรรมชาติโดยอาศัยเหตุและปัจจัยในการในเวทนาในจิตเรียกว่าธรรมให้รู้จักมันละเอียดลงไปขนาดนั้นแล้วก็ รู้จักจนปล่อยวางจนทอนความยึดมัน่นถือมั่นความพอใจไม่พอใจออกจากสิ่งทั้งหลายที่ท่านจะห ว, วั่นโลกวิเนยะโลกเกอภิชาโทมนัสสังทอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้นะจะ ก, กินจิโลกเก อ, อุปทะยิตสาม้ไม่ยึดมันด่นใดๆในโลกโลกครั้งสาม ไม่ไว่าจะเป็นสังขารและโลกสิ่งที่ล้วนประกอบปรุงแต่งกันทั้งที่เป็นรูปประทัและนามประทัสัตว์โลกสัตว์โุฆ่นตวัวตนเราเขาทั้งหลายใ น, กกนเรียกว่าสัตว์โลกอากาศโลกสุริยะจั ก, กรวาลตลอดโซลาซิสเตมทั้งหมดไม่มีความหลงเข้าไป อยู่ในนั่นไม่มีความหลงเข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วก็เห็นในสภาว่าธรรมชาติล้วนอย่างนี้เรียกว่าทอนถอนวิเนยะโลเกเฮและพิชชาโทวนัสตังนี่ท่นให้เราเห็นตั้งแต่หยาบๆยาบลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปทีนี้พอมาดูในเงียมุมของการปฏิบัต <c oughs> ิ เมื่อกี้เนี่ยมุมทางวิชาการทางทางทฤษฎีพอมาถึงเงี่ยมุมการปฏิบัติเราก็เริ่มต้นการปฏิบัติสิ่งที่ยาบนี่แหละซะก่อนคือเรื่องกายเรื่องกายมายจากการกับกายกายานุปัสนาตามรู้ตามเห็นพิจารณาเห็นแจ้งในกาย ว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เราเรียนกันมาละแต่เวลาทํามันไม่ใช่อย่างนี้อะปฏิบัติการานุปัสสนานี่แหละตัวเริ่มแรกที่เราพูดกันมาละเอียดละอ้อแลว้วพอผู้มาทีหลังนี่เตะมันฟังกันไม่เข้าใจมาเรียนรับโดดทีเดียวเข้ามหาวิทยาลัยเลยมึงก็เลยงง ยนนี้ปัญหาสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆก็ได้มีความเห็นแตกแยกกันขัดแย้งกันคอนฟร i กกันสำนักนี้วิปัฒนาสำนักนั้นสมถะสำนักนี้แท้สำนักนั้นเก้ไม่ถูกสำนักนี้จึงถูกเราจะก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้โดยมองให้ชัดเจน ดูวิธีปฏิบัติจริงๆของพระพุทธเจ้าครั้งแรกก็จะการกับสิ่งที่มันหยาบกับเรื่องตายนี่แต่เวลาทํามันต้องเอาสิ่งหยาบหยาบโดยวิธีที่ละเอียดซะก่อนเพื่อประหยัดเวลาเพื่อประหยัดเวลาเพื่อให้มันสะดวกสบาย <c oughs> <c oughs> ขอไปเสียงยังไม่ไหวยิ่งพูดยิงเปิดใหญ่เพื่อประหยัดเวลา สำหรับผู้ที่มีความฉลาดมากฉลาดปานกลางฉลาดน้อยโง่มากโง่ปานกลางโง่น้อยมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจหลักธรรมการปฏิบัตินี้ได้รับผลเท่ากันมีโอกาสเท่ากัน ผู้ที่ฉลาดมากถ้าทาไม่ถกูกมันกเเ็เสียเวลาเสียเวลาผู้ที่ง่อมมากทาไม่ถกูกก็ยิ่งเสียเวลาแต่ถ้าทําให้ถกูกให้มันพอเหมาะพอสมกับเปรี้ยวกับแปลงกับอินทรีย์กับภาระกับสติปัญญาของตนเองคนฉลาดมากจะถกูกตัดทอนความฉลาดลงมาตัดลงมาตัดลงมาจนอยู่ในลักษณะพอดีเป๊ะ แล้วก็จะชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์คือมีมากเกินไปมันท่วมมันท่วมสิ่งที่จะรู้ดับทุกข์มันไม่มากตับดีหวกับมือดีโวส่วนผู้ที่งงขออภัยคบว่างงมันก็มีสิทธทิจะได้รับผลของการปฏิบัติเท่ากันแต่ต้องปฏิบัติให้ถูก กับภาละกับกำลังกับพินสีสติปัญญาของตอนเองปฏิบัติให้ถูกพอดีที่พวกฝรั่งก็บอกว่า shoot to the right man to the right job hit the right way and the right time <c oughs> ใช่คนให้ถูกงานถูกเวลากาละเทศะถูกทิศถูกทางถูกฟ้าถูกตัว ปฏิบัติธรรมให้มันทุกกับจริตการอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนคนโง่ที่สุดมันก็จะได้เร็วขึ้นช่วยฟังกันให้ดีๆมันจะต้องพอดีทั้งคนฉลาดและคนไม่ฉลาดทางสายนี้เป็นทางสายกลางคนโง่ที่สดุด สุดจะต้องถูกวิวัฒนาการมาด้วยมักส์สมมาปฏิบัติให้สูงขึ้นมาระดับพอดีที่จะดับทุกข์ส่วคนที่ฉลารู้มาทด้สุดจะถูกตัดทอนทดลอกลงมาทดเฟืองลงมาให้มาอยู่ในระดับพอดีที่จะดับทุกข์เกินไปไม่ได้เลยว่าแล่นเลยไปพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าแล่นเลยไป ไม่แต่พวกปรัชญาปัญญาอะไรต่างๆเห็นว่าตายแล้วเกิดท่านก็นเลยว่ามันแล่นเลยไปตายแล้วศูนย์มันก็แล่นเลยไปเกิดก็มีไม่เกิดก็มีมันแล่นเลยไปถ้ายจอความพอดีเป็นยังไงไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายถ้าใสเหตุอาศัยปัจจัย หมดเหตุหมดปัจจัยกหยุดกันนั่นนี่ตรงปฏิจสมโฟต่าเฮตุพังคานิรุชเลเฮอาศัยเหตุเกิดขึ้นหมดเหตุก็ ด, กดับไปอืมท่านพูดอย่างนี้แหละขันทั้งห้าธาตุทั้งหลายเฮวังขันธาจะธาตุโยชะจะอาจะตนะอิเมขันทั้งห้าธาตุทั้งหลายอาจตนะทั้งหกเกาะเหมือนกันเล่ขันไหวอย่างนี้ ให้รู้มากมันก็แล่นเลยไฟรูน้อยมันก็แล่นเลยไปอีกไฟหนึ่งเหมือนเลยไปทางต่ําจะทวงถูกตัดลงมาเอาเย่จะเสีเวลากันอีกมือข้อจะต้องพอดีทั้งคนงอ้อทั้งคนฉลาดในการปฏิบัติไปในในความพอดีนี่มันก็เลยมีทางเลือกให้พอดีอย่างกายานุปัสนา มีวิธีการกำหนดรู้กายในกายทั้งหกขั้นตอนดังกล่าวแล้วโดยลมหายใจเข้าออกเป็นอันดับหนึ่งเป็น s แตนดา r d s ซ s t e m ขึ้นมาระบบมาตรฐานแต่บางคนมันไม่เหมาะนั้นไม่เหมาะเห็นว่าละเอียดเกินทั้งก่ให้ขยบขึ้นมาดูอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอิริยาบอิริยาบถพระ ยืนอยู่ยางไงงันนั่งอยู่อย่างไงนอนอยู่อย่างไงเดินอยู่อย่างไงนั่งตั้งกายไว้อย่างไรรู้อย่างนั้นฝั้งความรู้สึกในความคิดความปรุงแต่งอะไรเลยที่เรียกว่าปัธานาสังขารสมาธิปัฏฐานาสังขานั่นตั้งความรู้สึกอย่างใหญ่กำหนดลงไปตรงที่ยืนเดินนั่งนอนให้เห็นคนอื่นเหมือน ดูคนไม่เห็นตนเองเหมือนดูคนอื่นขอภยัยน่ะนะนึงจะมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาไม่ให้มีเราเป็นผู้ยืนเดินนั่งนอนแต่อย่างนี้มันยังละเอียดกระท้อนขึ้นมาเองอยู่ในสัมปชัญญะบัพพะสร้างความรู้สึก ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดกมเงยกระดิกพลิกแพลงลื้อตาอาป า, กากคาคุยก่าวไปทั้งหน้าแลเลี้ยวพร้อยกับจะดื่มจะพูดจะริมหนุงซาบงทรงจีวรโทกการเคลื่อนไหวของกายรู้ท่านท่านใช้คำวสัมปชานญการิโหตินะพี่กันเตปะิกันเตอลโลกิเตวิโลกิเตะสมัญชิเตปัสาลิเตปัตตะสังคาเิจีวรละารณี ก็ภัยภูฟ้าบาลีสับซนไม่จะกลาบไปข้านาดจะถ้อยกับจะแลจะเลี้ยวจะคู่จะเหยียดหน่งสาบองซองกีบอมประคองบาดผาดทั้งคารู้มันแต่ไม่จะไม่จะไปแกล้งทําให้มันงมเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบนะนั่งอยู่เฉยๆไม่เป็นมีแต่เคลื่อนมีแต่ไว้สร้างมากาลายเป็นคนผิดปกติมันจะเลยไปอีกแล้วนะมันจะเล่นเลยไป การปัจจุบันนั้นจะต้องเป็นปกติคนอื่นไม่รู้ว่าเราทําอะไรน่แจนี่มือนกับจะทําจําอวดขอยาฉุนแรงกลัวเขามไม่รู้ทําจังหวะจะโคนค่อยไปค่อยมาเหมือนกิ้งกาคามเมลินถ้าใครเคยไปแอฟริกามีกิ้งกาชนิดหนึ่งก็เรียกกิ้งกาคามเมลินคามเมลิน มันจะค่อยๆไปมือมันค่อยยกขึ้นเหมือนพวกทำสมาธิแบบคุยแบบไหวนิ่งนะมือค่อยๆ ย, ยกยกขึ้นแล้วค่อยเลื่อนไปแล้วค่อยๆจับกิ่งไม้ข้างหนึ่งแล้วค่อยยกอีกข้างหนึ่งเลื่อนไปเหมือนมันทำอาพวกทำสมาธิมีจังหวะนั่นนะ ตามันก็เหมือนกันเวลามันจะเ้ยวมันจะค่อยช้ำเลืองตามันหมุนรอบทิศเนอะคนมาข้างหลังคนหนึ่งไปข้างหน้าตาหนึ่งหมุนไปมองข้างหน้าตาหนึ่งมันจะหมุนแก้วตามาข้างหลังเขาเรียกว่าโรเทสอ y e ตามันหมุนตามันหมุนรอบเนื่นงกันกิงกาคาริเลียนเหมือนมันทำกับมัฐานแบบไวเนิ่ง ในคนเราทำอย่างนั้นมันก็จะผิดปกติแล่นเลยไปจะต้องทำความพอดีพอดีมีัตั้งใจกัดเคี่ยวกัดฟันสร้างแต่ว่าจะโคนไปมากมันจะกลายเป็นอุปทานในอุปทานบนอุปทานซ้อนกัน a t t a c h on a t t a c h อุปทานบนอุปทานนั่นซ้อนกัน เหมือนเขาเรียกว่าซสวยอ่อนสเสียงอ่อนจะเสียเวลาไปบานเขาวาถ้ามันละเอียดมากในการดูลมหายใจก็มาดอาูอิริยาบถให้อิริยาบถมันละเอียดไปก็มาดูการเคลื่อนไหวทุกชนิดของมันที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ตัดไว้ถ้าขนาดนี้มันยังละเอียดเกินก็ถอนมาดาูความไม่น่ารัก ปฏิกูลโรสมนสอยู่ในกายอย่างที่เราสวดอัิมสมิงกายเยกายของเรานี่แลอุทังปาธราอโทเกสัมตะกาเบื้องต่ำปลายผมตรงมาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่จะพริยันโตมีหนังหุ่มอยเป็นที่สุดรอบแล้วก็พิจารณาตามหนังพิจารณาใต่หนั ง, าานงลงไปในกับนี้อะไร มีเนื้อเส้นเอ็นกระดูกมีเลือดมีน้องในท้องในไส้มีตับไตใส่พุงมีม้ามีหัวใจพังผืดปอดในลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ในกรเพราะมีอาหารใหม่อาหารเก่าที่รอจะทายเทออกมาและจะต้องกินจะต้องดื่มจะต้องทายออก อ, อย่างนี้ เหมือนกับจุดตะเกียงอยู่ท่ามกลางสายลมมันน่ารักไหมมันน่าเอามันน่าเป็นไหมจะอยู่ยั่งยืนนานไปเท่าไรู้จนมันเต็มในหัวใจเจอจ้าขึ้นมาในความรู้สึกเมื่อก็จะเกิดคว <c oughs> ามเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไปอีกเหมือนกันอีกแหละแล้วสมาธิสติสัมปชัญญะมันก็ม่มาเองเมื่อมันแก่สุกออมเต็มรอบของมันนี่ ถ้าอย่างนี้มันยังละเอียดโจก็ถอยขึ้นมาอีกผาเคนี้ผาเลยใช้คำว่าผ่าแะกันนะผาร่างออกมาเป็นส่วนๆเป็นเช็กชั่นเช็กชั่นเนยว่าต้ปาปะจเวกหพ <c oughs> ิจารณาทา้าส่วนที่เป็นดีนเนื้อหนังมังสังเซนเอ็นกระดูกอมก็เล็บฟันหนังเนื้อเอามากองไว้ ส่วนที่เป็นน้ำน้ำน้องน้ำเลืองน้ำเลือดเรือดํดออาหูน้ำตาน้ำมันเปลเวมันน้ำลายน้ำโมกมดูดไขข้ออะไรต่างๆก็เอามากองไว้ซะในกระมังอัน น, นแล้วนั่ก็ส่วนที่เป็นลมหายใจข้าวหายใจออกมันก็กลับไปนู่นเนี่ยพัดคร <c oughs> ับเคืเลยธรรมชาติส่วนเป็นไฟ ความอบอุ่นที่เคยแผดเผาอาหารที่กินไปจนย่อยเผากายให้มีความอุ่นเลยเมื่อกลับไปอยู่ตามธรรมชาติของมันมันก็เหลือไว้ให้เห็นสองอันคือดินกับน้ำอีกหน่อยพวกนี้ก็ค่อยแปลสภาพกลับคืนไปเป็นน้ำกลับคืินไปเป็นดินตามเดิมมีเราไหมก็ดูไปอยูไปดูไ ป, ไปอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าธาตุประเวทวิชาธาตุ อันนี้เรียกว่าดูการในกายขณะนี้ยังยังละเอียดอยู่ยังดูยากดูไม่ทันมันได้สร้างอิมเม จ, จเนตขึ้นมาเรามันไม่เซนซิทีฟมันไม่ไวความรู้สึกนะักคิดอะไรมันทท่มมันซึมกระเทิมมันชาไปดูของจริงอันสุดท้ายไปดูซากดูศพในป่าชานวสีธิกาถานาณวสีธิกักกปบปะพะ ดูซากศพของจริงกายจริงๆที่มันแตกสลายทำลายไปเอาทบทวนอีกทีหนึง่งตั้งแต่ดูลมหายใจอานาปานสติกายยนญะตลาหังพิกโกเวเ อ, เอตังวรธามิอสัสสปัสสัส ส, ส, สังพิสุจังหลายเหลาา่าวก่าาล่มหายใจเข้าหายใจออกเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย เดีนี้มันยังละเอียดไปก็ามาดูอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนท่านนี้ยังละเอียดไปก็ถอนมาดูสมัมปัจัญะสร้างความรู้สึกในการเคลื่อนการไว้ทุกอย่างของร่างกายแล้วมันจะจอดเจาะแทงลงไปถึงการเคลื่อนไหวของจิตได้ท่านนี้มันยังละเอียด ถอนขึ้นมาโดปฏิกูลมนุิยการพิจารณาส่วนประกอบอันไม่สะอาดทั้งหลายที่ประชุมกันเข้าในร่างกายนี้ถ้าอย่างนี้อย่างละเอียดอยู่ก็ถอนขึ้นมาเอกเป็นธาตุมนุษยการในธาตุปัจจิบพิจารณาร่างกายโดยส่วนเป็นธาตุธรรมชาติแต่ละอย่างละอย่างถ้าอย่างนี้ยังเห็นว่าละเอียดก็คือมันม น, ว ะ, น ว, ะวะทิกานวะศีวทิกา พินาสางสมในสภาพต่างๆอันแปลกันไปตามระยะเวลาเก้าระยะ น, นวนนาวเปรบเก้าเห็นสติธรรมดาของร่างกายของผู้อื่นของมันเป็นยังไงของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นกายในกายสมาธิสติสัมปชัญญะถึงที่สุดแล้วมันก็จะเกิดขึ้นการทำที่สุดอย่างนี้เมื่อสมบูรณ์แบบขึ้นจิตก็จะรวมตัวอยู่ในสภาพอันหนึ่ง ในสภาพอันนั้นแหละมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเรียกว่าเวทนาเอา้าเลยมาสู่เวทนาเราจะไม่ใช้เวลามากไม่ว่าคุณจะดูลมไม่ว่าคุณจะดูอิริยาบถไม่ว่าคุณจะดูการเคลื่อนไหวไม่ว่าคุณจะดูปฏิกูลมนสิการทาามนสิการหรือดูซากดูศกมันจะไปสู่เป้าหมายอันเดียวกัน คือจิตเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างเจอจ้าประทับใจอยู่มันจะเป็นอันเดียวสงบลงไปไม่ฟุ้งพรุงแต่งแม้แต่ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเหล่านั้นเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมามันก็มีเวทนาอีกชนิดเนึ่งดูให้ดีๆในจํานวนหกอันนี้มันจะก่อให้จิตรวมตัวไปสู่เวทนาไม่เป็นสุขก็เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขก็เป็นทุกขก์ ทั้งสุทั้งทุ ก, ก็คือเวทนาเฟลลิ่งที่เราจะต้องรู้จักมันถ้าคุณดูลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกจนระ ง, งับระ ง, งับระ ง, งับระ ง, งับลงไปกายลำ ง, งับไม่รู้จักเจ็บปวดรอดลาจิตลำ ง, งับมีปีติมีศีเห็นแสนจเจริญนั่นกันมา เบาสบายว่างเหมือนไปอยู่ในโลกอีกรอบหนึงนั่นแหละเวทนาปรากฏโฉมหน้าขึ้นมาฤาวีาสุขเวทนาที่คุณไม่อยากพัดภาคจากมันมันเป็นกามทิพผมใช้คำว่ากามทิพตพแล้วกันยิ่งกว่ากามในมุ้งในหมอนที่เราเคยหลงไหลสยบหมกม่นปะทานายิ่งนักณนะภาโสปฐวียะาไกลห่างกันเหมือนฟ้ากับดินเอาสิ คุณก็เอาจิตที่มันมีความรู้สึกเป็นเวทนาอันนี้มาดูเอาสติคุณมาดูเลยว่าเวทนานุปัสสนาก้าวลึกลงไปดูตัวความสุขดูตัวปีตินี่แล้วจะเห็นปีติเห็นสุขเหล่านี้มันจะมาปุ้งมาแต่งให้เกิดความคิดขยายสะโคฟสะเกดออกไปฉันจะไปเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฉันจะเป็น คูบาอาจารย์สร้างวัดสร้างวาฉันจะเทศสอนคนให้คนเข้าใจหลักธรรมฉันคิดถึงพระพุทธเจ้าเคารพ บ, บูชาสุกระมันกับปุงไปแหละปุ่งในทางที่เดชคุณก็รู้มันเองลึกลงไปในความเกิดขึ้นในความเสื่อมของความขึ้นนี้คุณก็เห็นคิดเห็นทำมันก็ไปทางเดียวกันนะทีนี้ถ้าคนมาดูเิริยะบผะ สําปชัญญะบัพพาเมื่อคุณดูไปดูไปการเขื่อนการไว้การกู้การเยียดการก่อมการเงยเดิมพูดลิมนิ่งเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยดูไปดูไปคุณก็จะจิตสงบลงไปเอว่าอ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งปีทั้งชาติมันมีความสุขอยู่กับที่ที่ไหนมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วคุณก็จะเห็นเวทนาขึ้นม เป็นทุกข์เหลือเกินตรงประคับประคองส่วนที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์กับเวทนาเอาเวทนาที่เป็นทุกข์มันก็มาปุ้งในทางที่จะต่อต้านแต่เป็นสังขารจิตจะสังขารนรื่มมาแล้วคุณก็จะเห็นเวทนาเห็นจิตอีกเหมือนกันพอคุณมาดูสมปรชัญญะกติคุณมาดูปฏิกูลมนสิยการท่ามนสิการกอ ด, ดีนะวะ สีวัตถิกาก็ดีดูสร้างกดูสพก็ดีดูไปดูไปจนมันเจิดจ้าจนเป็นอารมณ์อันนั้นเกิดมาคุณก็จะเกิดความยุติในการวิ่งว่นในทางความคิดแต่คุณจะเกิดความรู้สึกใหม่ซ้อนขึ้นมาคือเบื่อนหน่ายคลายกำหนัดนะี่เบื่อนหน่ายจนไม่อยากกินข้าวกินปลาจะรากะอาจเจียงก็ดีนั่นก็คือเวทนะ ฝ่ายที่เป็นทุกข์เรีว่าทุกขเวทนาไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเข้าใกล้คุณก็ดูตัวนี้อย่างชัดเจนลงไปเองแล้วคุณก็จะเห็นว่าเบื้องหลังเวทนานี่จิตมันก็ปรุงก็แต่งปรุงแต่งในทางลบปรุงแต่งในทางพวกถ้าสุขเวทนาก็ปรุงแต่งไปในทางดีทุกขเวทนาปรุงแต่งไปในทางชั่วต่อต้านแอนตี คุณก็เห็นทาเวทนาเห็นทั้งจิตคุณคุณคุณต้องรู้ทันมันอย่างเนี้ยทุกขานาดเป็นนันว่าหกอันเนี้ยหกอันนะหกวิธีนี่ที่เราเอามาเทียงกันอยู่เนี้ยบางฝ่ายดูลมหายใจเพื่อจะไปสู่เวทนาดูจิต ด, ดูธรรมบางหมู่บางคณนะดูอิรยาบดยืนเดินนั่งนอนบางหมู่บางคณนะ โดยการเคลื่อนไหวบางหมู่บางคณะก็พิจารณาผมคนเล็บฟันนังเนื้อเรียกว่าปฏิกูมนสิการบางคณะพิจารณาท่าบางคณะไปพิจารณาดูซากดูศพแต่สากศพไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยโบราณในประเทศอินเดียแต่อินเดียเดนี้ยังมีแล้วเราก็ได้มาเที่ยงกันมายกตนข่มกันอนิสิดีการสร้างจังหวะจกักรการไว้การเน่งมาให้มันหยุดการเก็บมือเข้าทา นิ้วกดดิกพิกแพงอย่างนี้สิฟังพวก เ, เพลงรูกแกว้วดวงกลมไซส์เนื้อสดือสองนิ้วสร้างอิมเมจเนทขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยได้มาทะเลาะ ก, กัน <c oughs> เล่นเลยไปถ้าเรามองแบบเบิร์ส I v i e วิแบบดูทิวทัศนเราก็จะเห็นได้ชัดว่าโอ้โมนี่ขนาดนี้ท่านดูทางนี้หมนี่ขนาดนี้ดูอย่างนี้ไม่ต้องทะเลาะ ก, กันป่ามาอาเดียวกันเมื่อกินข้าว คุณ จ, จ, จะกินข้าวเจ้าคุณจะกินข้าวเหนียวคุณจะกินข้าวต้มคุณจะกินมักกะโลนีคุณจะกินกว๋วยเตี๋ยววิธีกินของคุณอาจจะไม่เหมือนกันข้าวเหนียวก็ปั้นจิ้ม <c oughs> อย่างพวกเรา <c oughs> อยู่างั้งหมดนี้กินข้าวต้เจ้าใช้ช้อนกินกว๋วยเตี๋ยวใช้ตะเกียบ <c oughs> ข้าวต้มช้อนหอตะเกียบห่อห่อก็ อเชียอร่อยเฝ้าหมายสูงสุดของการกินจุดหมายปลายทางมันอิ่มหายหิวเหมือนกันอิริยาบถการดูลมหายใจดูมันจะหนักเลอะเอียดเกินไปบางคนรวดเร็วและสะดวกสบายที่จะมาดูการเคลื่อนการไหวของทางกายภายนอกสัมประชัญญะ บางคนเหมาะที่จะชอบพิจารณาดูเคล้าเคลียอยู่กับร่างกายตั้งแต่หัวยันตีนตีนยันหัวข้างในข้างนอกตับไตใส่พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเกิด ค, ความเบื่อหน่ายเห็นตนเป็นอย่างไรคนอื่นเป็นอย่างนั้นเห็นคนอื่นเป็นอย่างไรตนเป็นอย่างนั้นมันง่ายทางนี้ทางปฏิกูลทางธาตุบางคนชอบใช้วัตถุอย่างพวกเพ่งูกแก้ว สั่งอินเอจเนตภายในไม่พอลูกแกวมาตั้งโดภายนอกให้มันช่วยมันเหมาะมันช่วยให้เกิดเซนเซสจนมาเซนสティกันมาก็ออกไปสิมไม่ต้องมาทะเลาะกันจะกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวไม่ต้องมาทะเลาะกันมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้หายเหนื่อยอิ่มหายหิว เอาเราเป็นอันว่าเราพูดกันมาอย่างนี้แล้วนะละเอียดมาแล้วก็ามาพูดเพิ่มในวันนี้วันนี้ก็อยากจะเลยไปสักหน่อยนะไม่ต้องเสียเวลากันเมื่อใดก็ตามสาติได้เจริญขึ้นมาสัมปชัญญะมีพร้อมขึ้นมาสมาธิก็มีเพียงพอขึ้นมา ความรู้สึกนกะคิดมันจะมีอยู่ตลอดเวลามันมีความรู้สึกดีชั่วรักชอบชังไม่พอใจอะไรก็ตามไม่ไม่ให้มันพลาดโอกาสถือว่าสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนให้เรียนมาเป็นบันไดมาเป็นพาหันะให้เราขีให้เจตของเราเก้าวหน้าอย่าไป น, นอนให้พาหนะมันทับผัว โกรธขึ้นมาทีหนึ่งก็อันใช้มันเป็นกุญแจเปิดเข้าไปสู่ความเล้นรับของธรรมชาติของจิตโกรธมาทีหนึ่งใช้มันเป็นกุญแจใช้มันเป็นบันไดใช้มันเป็นพาหานะโอ้มันนะฮะไม่ใช่เราโกรธนะมันมันโกรธของมันเองเราไม่มีความมีเราและความไม่ใช่เราไม่มีอยู่ในนี้ ฝึกเจ็ดฝึกวิญญาณให้รับรู้รับทราบพอใจดีใจขึ้นมาก็รับรู้รับทราบให้มันเป็นบันไดให้มันเป็นพาหานะให้มันเป็นกุญแจเอาถ้าจะขึ้นที่สูงให้มันเป็นบันไดถ้าจะเข้าไปในที่ลับที่มันปิดอยู่ก็ให้มันเป็นกุญแจปเปิดถ้าจะเดินทางก็ให้มันเป็นพาหานะนความดีใจความเสียใจความรักความชัง ให้มันเป็นพาหนะเป็นกุญแจให้มันเป็นบันไดบันไดก้าวขึ้นบันไดก้าวลงกุญแจเปิดเข้ากุญแจเปิดออกกุญแจไขความลับพาหนะขี่ไปวานะขี่มาของคิดเนี้ยได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งลงนะยิ่งเราอยู่ด้วยกันมากๆบางคนน่ารักบางคนน่าชื่องบางคนพูดไม่ไม่ไมนา่าฟังบางคน หน้าเข่าไกรบางคนหน้าอ่ อ, อนซ้อนหน้าเจริญใจพระส า, าลววาวอ่อนซ้อนเจริญใจหน้าอยากเป็นอย่างนี้ก็เป็นนั้นว่าไดา้ประโยชน์นี่คือเวทนาพระอริยเจา้าพระอรหรันตพระพุทธเจ้าท่านก็มีเวทนา พอใจไม่พอใจแต่ท่านไม่เป็นเจ้าของมันท่านไม่ติดอยู่กับมันจิตไม่ไปแอ บ, บเองอาศัยอ น, นุสิโตอ น, นุสิตาอ น, นุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอ บ, บเองอาศัยไม่เป็นไม่เป็นเจ้าของท่านมีความเจ็บความปวดมีความปวดท้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นเหมือนกับเราปวดหัวปวดท้องมีเวทนาเป็น แต่ท่านไม่เป็นเจ้าของมันท่านก็ต้องฝึกฝนจนอเคยชินจนคลายออกมาคลายออกมาจนลุดออกมาจากขอบเขตแห่แงเวทนาซึ่งเป็นขันคันหนึ่งในคันห้าขั น, นทั้งห้าท่านก็นม่แต่ท่านไม่เป็นเจ้าของไม่แบกไม่หา ม, มันให้บางคนอาจจะอภราาร han ว่าคนเช้า ละขันห้าวันนั้นของไปบรรยายทำนี่พระกรรมฐานท่านถามอยู่บนภูเข า, าพระอรหันละขันห้าซะแล้วเอาเอาอะไรมาจําสัญญาขันไม่มี <c oughs> ไม่ใช่ละขันห้าไม่ใช่ไม่มีขันห้าอ๋อละขันห้าไม่มีขันไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่ไปเจ้าของมันทั้ง เวทนานี่มันก็มีโยกันทุกคนตั้งแต่หยาบที่สุดจนถึงละเอียดที่สุดนะตัวเวทนานี่เป็นปัญหาใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่เข้นข่ากันโยทุกวันนี้ระดับโลกระดับชาติระดับจังหวัดท้องถิน่นระดับครอบครัวระดับจิตในแต่ละคนระดับสุริยจักรวาลบนสวรรค์เทวดาทะเลาะกันแย่งกามารม เย็่สุขเวทนากันอย่าดูมองข้ามเวทนานะอย่าแกบอกพวกเราเวลากินข้าวเวทนาอร่อยจะเกิดขึ้นเป็นสุขเวทนาและไม่อร่อยเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาอุปาทานเปพวกเป็นชาติอย่าตะกะตะกรามตะกลุ่มกินเอากินเอากินเอา เงินไม่ทันนะไม่ทานนะักนะปฏิบัติธรรมเสียเวลาวันหนึ่งได้กินข้าววันละครั้งเดียวเลยยังทําให้เสียเวลาแล้วก็มาสวดตังคณิกะปัจจเวขาไปอีกมโนวันจะเวทนังปฏิหังขามิมาให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อระงับเสียถึงเวทนาเก่าความหิวเวทนาใหม่ที่มันเกิดขึ้นนั้นคืออร่อย และไม่อร่อยเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเวทนาปัจจัยเกิดอุปทานเป็นพพเป็นชาติอร่อยเป็นสุขเวทนาเป็นกามตัณหาไม่อร่อยทุกขเวทนาเป็นฟีภว ะ, ะตัณหาต่อไปแล้วตัวโง่หลงยืนอยู่กลางเป็นภวะตัณหาเป็นตัวกูตัวเราผู้อร่อยและไม่อร่อยไปฮั่นไปตรงนั้นแหละดูให้ละเอียดทุก ทุกเวทนาทุกทุกภัตตาจะว่าไปแล้วการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่มากไม่มายอะไรนียศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตาไหมมีหูไหมมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจไหมมีหูฟังตนเองมีตาดูตนเองมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจ แต่ต้องมีผัสสะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้นก็มีรูปเสียงกินรสสัมผัสอารมณ์ตรงนั้นเอเทสาตัณหาปชจามนาตัณหาปจัจจติเอเทเทตาตัณหานิวิสมานานิบิสติอืมตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดตรงนี้เมื่อจะตั้งรู้ได้ก็อาศัยสิ่งเหล่านี้และเมื่อจะดับมันละ่ะเอเทสาตัณหานิรุจมานาตัณหานิรุจติ เอตันหาปหฮิยมานาปะฮิยะเตเมื่อจะดับตันหากระดับตรงนี้เมื่อจะละตันหาก็ละตรงนี้ช่องตาหูจมูกลิ้นก า, ายใช้ตรงรลบเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่กระทบกันเวลากินข้าวตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบโลบเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์รวมกันพื้นโดยตรงนี้อยากกินให้แต่ท้องให้อร่อยจงกินให้แก่ธรรมะบ้าง นี่รอคอยผมรอคอยให้ท่านทั้งหลายศึกษาอาหารไม่ต้องรีบต้องรอนพออาหารแล้วก็ตักใส่บาทเสร็จแล้วช้วบ้างก็ไปถึงไหนแล้วไม่มีใครมารอคอยเราเราก็ศึกษาสิกินเข้าไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายกินเข้าไปเพื่อศึกษาสัมผัสให้มันเจริญกินเข้าไปเพื่อศึกษาคิด มันจะเกิดมโนสัญเจตนามาอย่างไรโอ้พ่งนี้ขอให้ได้กินอย่างนั่นได้กินอย่างนี้ฮะเกิดขึ้นมาแล้วสัญเจตนานี่เียกว่าควบคุมเวทนาถ้าควบคุมเวทนาไม่ทานมันเป็นปัญหาละ่ะแต่ถ้าเลวเข้าจอออ่อคอหอยมันตรงผัดตะตรงมันกระทบกัน ร, รู้ทันแล้วก็สลัดไม่เป็นเจ้าของ ไม่เป็นเจ้าของคำพูดมีมากในพระาศาสนามีบ่อยๆได้เห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่ายินได้กินสักแด้กินริ้มรถสักริ้มรถพูดสัน้นๆนะทิฏฐิทุททตมัตต์ั้งภาวิสติสุตเตสุตมัตตั้งภาวิสติมุเตมุตมัตต์ังภาวิสติอยู่อย่างนี้วิญญาเตวิญญาตามัตตตั้งภวิสติสักว่าสักว่าสักว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยคือตัวสติปฐาน สติปธานอยู่ในนี้ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แจ้งได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจครบที่ตรงนี้ได้เห็นได้ยินเป็นเรื่องของตาของหูได้กินได้รสได้สัมผัสเรียกว่าได้ศบทราบมุเตมุตมัดตัง มันได้ศพทราบทางแกมูกทางลิ้นทางกายฟินญาเตวิญญาตมัตต์ต่างได้ทราบรู้แจ้งทางจิตก็ไม่รู้เฉยเฉยรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้เมื่อรู้แจ้งรู้ว่าสว่างรู้ว่าพอใจไม่พอใจเป็นเรื่องของจิตวิญญาเตวิญญาตมัตต์่างก็รู้เฉยเฉยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ต่างหลายทั้งก็มีจิตรู้เย็นรู้ร้อนเป็นเหมือนเรานี่ ท่านภาวิตสติมัดตั้งภาวิตสติเท่านั้นสักว่าเท่านั้นเรามันไม่เป็นง่ายดอกเราก็ฝึกฝึกของละเอียดมาจากของหยาบของแก่มาจากของน้อยฝึกไปฝึกไปฝึกไปฝึกไปจนมันเคยชินอภินยาชะอภิญยาชะรู้ยิง่งรู้ยิง่งรู้ยิง่งจนมันเป็นสัมโพธายะนิพพานายะสังวร ต, ติขึ้นมากลายเป็นความรู้พร้อมอัตโน ม, มัติสงบระงับสูนิพานปล่อยวางไปเลย ไม่ใช่ตายนะในพันน่นอะอ้าวเป็น้นว่าเราดูเวทนากันอย่างนี้นั่งสมาธิอยู่ดึกๆเดินๆที่เราเตื่นกันมานั่งตีหนึง่งตีสองตีสามไปเนี่ยแล้วนั่งกันทุกวนันทุกวนันชั่วโมงหนึ่งก่อนที่เราจะเปลี่ยนอรエリアบดมันจะเกิดอะไรในนั้นใจมันก็คิดสังขารก็ปรุงแต่งในความคิดก็ซ่อนเอาสึ่ง ความพอใจบัง่งไม่พอใจบัง่งในเรื่องราวอาดีตในเรื่องราวอนาคตในเรื่องราวปัจจุบันที่จิตมันวิตกยกขึ้นมาคิดรู้มันรู้มันเฉยๆอย่างนี้ดูง่ายง่ายอยู่ไม่แต่ไปจุดไฟเปิดไฟฟ้าจึงจะรู้รันมันมันมาเวลาใดการศึกษาที่แท้ในศาสนาเราศึกษาอย่างนี้ รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบเป็นยาตะปริญญารู้ยิ่งหนึ่งรู้กำหนดรู้รู้มากเข้ามากเข้ามันเกิดตีระนะปริญญาละเอียดลงพิจารณามันเองมันมีข้อมูลแล้วเห็นความเป็นธรรมดาของความได้เห็นได้ยินได้กินได้รสได้สัมผัสได้นึกคิดมันกับนึกเองคิดเองของมันอย่างนี้ แล้วมันก็รู้สึกขึ้นมาเป็นเวทนาอย่างนี้เองมันทีนี้มันมันจะพิจารณาละเป็นตีรนะนาปริญญาหรือยิ่งลงไปด้วยการพิจารณามันจะมุนของมันไปเองจิตมันมุนเข้าสวดธรรมเป็นเกลียวมนุออมนเข้าไปมุนเข้าไปถ้าเราละล้วงมันก็หมุนออกมามุนออกมาไปหากิเลสอย่างนี้ปริวัติอืมปฏิวัติจิตปริวัติเขาสูดธรรม หลังจานั้นมันก็จะละแหละถ้ามันรู้แจ้งขึ้นมาเป็นปะหานะป ร, ะริญญาไม่แบกไม่หับเมื่อกับคนรวดตนเองหนักตนเองหนักตนเองหนักหนักเพราะอะไรหนักเพราะหับอยู่ในบาแต่ก็ยังเสียดายเพราะมันมีของดีที่น่าหาบหนาคร อ, อยู่ตรงนี้แต่คืนหาคอต่อไปก็หนักตายจะวางก็ยังไม่ไหวเลยว่าจะบปงก็เสียดายทิ้งก็เสียดาย จะคลายออกก่อไม่ได้เกิดไม่เข้าขายไม่ออกจกก็เลยค่อยๆทิ้งทีละกิโลสองกิโลตรงไหนมันหนักข้างหนานหนักข้างหลังตกตรงนั้นคว้างทิ้งล้วงตรงนี้คว้างทิ้งคว่างไปเรื่อยไปเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้ น, นเอาไปเอามาก็เลอแต่ห า, ป า, ป า, ปาเปล่าเปล่าเลอแต่เพียงร่างกาย <c oughs> กายเลอแต่เพียงขัน ที่ยังคลุมกันอยู่ในที่ก็ทิ้งมันหมดทั้งทั้งหาบหาเปลา่ปลาๆนี่เราไม่มีอะไรอยู่ก็ยังหนักคือมันยังเป็นภาระยังเป็นเบอร์เดนออฟไรก็ปล่อยมันท้าน้นเวลาจะตายยังมีคําว่าชีวิตะสมะสีสีบางท่านดับกิเลสดับชีวิตจะคล้อมเงนคือท่านกับเบามาท่านพอสมควรแล้วแต่ท่านก็นยังหาบอยู่ก็เลยทิ้ง เอาเป็นว่าเรารู้จักเวทนาหลังจากนั้นก็รู้จักจิตคิดอะไรรู้ทั้งนั้นไม่คิดก็รู้อันนี้ละเอียดหน่อยนะพูดแล้วเหมือนมันง่ายมันมันง่ายบางครั้งไม่คิดอะไรเฉยๆจิตไม่ใช่มันจะมีโลภะโทสะโมหะอยู่ทั้งปีทั้งชาติมันไม่มีก็มีมันว่างๆอยู่ก็มีมันดับมันดับลงไปซึ่งโลภะโทสะโมหะคือมันไม่มีมันดับอยู่ในขณะนี้ก็มาชัตชิ กิริยากระทาให้แจ้งว่าโอ้อยังงี้ก็มีเวยเป็นธรรมดาเหมือนกันโกรธขึ้นมาก็เป็นธรรมดาไม่โกรธก็เป็นธรรมดาไม่เลยคิดอะไรเฉยๆอยู่ก็ธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่ใช่มันคิดอยู่ตลอดธรรมดาไม่ใช่มันโกรธอยู่ตลอดธรรมดาไม่ใช่ว่ามันมีความกําหนัดอยู่ตลอดนี่ธรรมดาฝ่ายฝ่ายที่จะดับทุก ธรรมดาฝ่ายที่จะทุกก็ได้ใครมาว่าหน่อยก็ธรรมดามาว่าผมผมก็โกดธรรมดาไม่พอใจไม่ถูกใจมันก็ธรรมดาเองเห็นความเป็นธรรมดามันกนด็ดับไปดับไปดับไปที่พระพุทธเจ้าท่านตัดอย่าท้าวิมุตตังจิตตังปรเจเวขัดติพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้น มันหลุดพ้นก็มีธรรมดาไม่ใช่ว่ามันมีกิเลสอยู่ตลอดธรรมดามันก็ย่อมหลุดพ้นไปได้ผู้ทุกชนคนหนึ่งก็มีความหลุดพ้อนอย่างน้อยนาทีหนึ่งสิบนาทีสามสิบนาทีชั่วโมงถ้าใครมีความหลุดพ้นธรรมดามากคือไม่ฝุ่นวายมากไม่ยึดมั่นมากโ <c oughs> ดยธรรมชาติบางคนเขาโมบยากเซนสติฟน้อยมากเลยเข า, าธรรมดาเขาอยู่เย็นเป็นโสดเขาแหละ เวลานั้นเรามาทำความรู้นี้ใช้สติให้มันรู้ในเวทนาในความรู้สึกทั้งดีทั้งชั่วพอใจไม่พอใจเมื่อรู้เวทนาอยู่อย่างนี้รู้ข้าวรู้ข้าวรู้ข้าวมันก็จะเกิดการพิจารณาอีกแบบหนึ่งคือรู้ลึกลงไปการรู้กายของตนเองจนเกิดความสงบร่ำงอาบ แล้วเก็เวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาพอใจไม่พอใจมาก็มาดูตัวเวทนาไม่หลงในเวทนา น, นี้ว่าวรู้รู้เข้าไปในสิ่งที่เราหลงไม่หลงเข้าไปในสิ่งที่รู้แต่ก่อนนั้นเราก็รู้รู้ว่าพอใจแล้วก็หลงพอใจไปกบมันรู้ว่าไม่พอใจแล้วก็หลงไม่พอใจไปกม็มันก็เป็นทุกข์ นี่เรียกว่าหลงเข้าไปในสิ่งที่รู้แต่เดี๋ยวนี้เราจะรู้ในสิ่งที่เราเคยหลงพอใจก็รู้ว่ามันพอใจแต่ไม่หลงไปพอใจกับมันไม่พอใจก็รู้ว่ามันไม่พอใจแต่ไม่หลงเข้าไปไม่พอใจกับมันหมายก็ว่าแต่ก่อนเรารู้แล้วก็หลงเข้าไปในสิ่งที่รู้ บัดนี้เราจะรู้ในสิ่งที่เรา้ลงอ้าวพอใจนี่เราก็เคยหลงพอใจกับมันมานานแล้วไม่พอใจนี่เราก็เคยหลงไม่พอใจกับมันเราเป็นทุกข์มานานแล้วทีนี้เราไม่อาเรียกว่ารู้เข้าไปในสิ่งที่หลงเมื่อรู้มากข่าวรู้มากข่าวรู้มากข่าวเรียกว่ารู้เวทนาต่อมามันก็จะรู้เข้าไปในสิ่งที่รู้ ใครแหละเป็นคนรู้จักพอใจและไม่พอใจตัวนี้คือจิตนั่นเองจิตนั่นเองเวทนานี่ก็มาจากจิตอันเดียวนะสาติสุพัชญาคือจิตดวงเดียวอันนี้แหละเป็นธรรมชาติฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายฉลาดฝ่ายโง่เกิดมาจากจิตดวงเดียวทั้งหมดคือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือทั้งหมดวันฟอออนออนฟวัน ทั้งหมดงานเดียวอันเดีย ว, ยวทั้งหมดคนอีสานนี่พูดไว้คำหนังนะในหนังสือเสี้ยวสวัสด์นกอีเอียงกินหมากโพให้แซลแซลเสียงบอมี่โตห้องเซลเซลห้องโตเดียวบดมูเป็นคนาดดำเป็นปริศนาเหมือนนิกายเซนนกเอียงกินลูกโพลูกใส ร้องสนั่นแซวแซวเสียงสนั่นเป็นฟุ้งแซวแซวเสียงบอพี่ตัวห้องแซวแซวห้องตัวเดียวบดหมูร้องตัวเดียวหนูเหมือนทั้งหมดร้องทั้งหมดเหมือนไม่มีตัวใดมันร้องจิตดวงเดียวนี้เป็นผู้โง่เป็นผู้ชรลาดเป็นผู้หลงเป็นผู้รู้ว่าตนเองหลง จิตดวงเดียวนี้ที่เป็นผู้รู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อแจ้งสว่างพอใจไม่พอใจรักชังก็จิตดวงเดียวอันนี้จิตดวงเดียวอันนี้ที่รู้ว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ดับไปในตัวเวทนาในตัวกายในตัวจิตและจิตดวงเดียวตัวนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยเป็นอนัตตานั่นเซล์ เซลเซลเสียงจังบ่มีต้องจิตเตะอันยติโลโกโลกอันจิตย่อมนําไปจิตนี้ทําให้โลกพ่นวายจิตนี้ทําให้ตัวที่เป็นเจ้าของจิตนั้นเป็นโทษเป็นสุขขึ้นสวรรค์ตกนรกจิตนี้ดับตัวเองเข้าจนถึงนิพพานเป็นวิญญาณที่ไม่แอบอิงอาศัยญาณังอนุสตโตจึงไม่มีมีเหมือนไม่มีมีมีไหมอะ แซ่ซ่เสียงตัมีตัวห้องแซ่แซ่หองโตเดียววัดโมพราอิสา์เราเหตุอย่างนี้นะตั้งเดีวพ่อได้๋แม่มานะแล้วก็มาพูดเล่นกันสนุกสนานไม่เข้าใจความหมายเนี่ยเชิดมันมีตรงเดียวเนี่ยมีแล้วก็ไม่มีอีกด้วยบางครั้งพระพระพระพุทธเจ้าของเราท่านก็พูดเชิตตังอเจชิปีมัโนอิเิปีวิญญานังอิเิปี จิตก็ดีมโนโก็ดีวิญญาตก็ดีที่เรากล่าวว่ามัตั้งอยู่ในมหาภูตารูปนี้อันยังอุปาจติอันยังนี้รุ้จติออันยังนี้รุ้จติอันยังอุปชติอันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับลงดวงหนึ่งดับลงดวงหนึ่งเกิดขึ้นที่แท้ก็ดวงเดียวหันว่ายัางนี้จิตก็ดีมโนโก็ดีวิญญาตก็ดีเป็นไวยพจน์เป็น คำพูดแทนกันได้อันเดียวกันมา น, นะรู้เข้จิตตะกับตัวรู้นี่แหละวิญญาณกับความรู้อันนี้เนเพราะนั่นการรู้เวทนานั่นคือรู้เข้าไปในสิ่งที่เราหลงเราเคยหลงในเวทนาหลงรักหลงชังหลงพอเจอไม่พอใจรู้อยู่ตลอดมันอยู่เฉยๆกับรู้อาทุคำเมาทุกับเวทนายังไม่เกิดอะไรขึ้นมันพร้อมที่จะเกิดเพราะรู้มัน และเราก็รู้จากชมหน้าของตัวที่เป็นผู้เมื่อรู้เวทนาเขาจะจั ก, กเอะนี่มันอะไรมาเที่ยวรู้พอใจไหมพอใจเนี่ยก็เห็นว่าเอานี่มันใจทั้งนั้นจิตทั้งนั้นจิตทั้งนั้นเป็นผู้รู้พอใจไหมพอใจเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อแกโอ้นี่มันจิตพระพุธยาันึงสั่สโลว่าจิตตันติวาปนัตสาสติ ปจจุปติโตโหติอาทิจิตติวาปนะสัสติปัจจุปติโตโหริยาวะเทวยายานัมตายะปิสติมตายะเธอมีสติตั้งมัน่นจิตนี้มีโยจิตนี้มีโยเพียงสักให้รู้เพียงสักให้ระลึกมีสติมีสมบัติฉันยามายึดมันม่นถือมั่นใดได้ในโลกหมายความว่าเรารับรู้ว่าโอ้หนี่จิตมันมีบ่อยไอตัวจิตนี้เองที่ทําให้เรารู้โน่นรู้นี่ เกิดเวทนาขึ้นมาตรงนี้แต่การรู้เวทนาในเวทนาเรียกว่ารู้เข้าไปในสิ่งที่เราลงรู้กายในกายว่ารู้สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นว่ากายมันมีอยู่อย่างนี้เป็นที่อยู่ของเวทนาของเจตของธรรมได้มารู้จากเวทนาที่มันเกิดขึ้นหลังจากควบคุมกายสงบลำงับเกิดปีติปามโอเกิดความโศกขึ้นมาหรือเกิดความพุกขึ้นมาเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา ก็มารู้เวทนาอันนี้เรียกว่ารู้เข้าไปในสิ่งที่เราหลงเราเคยหลงเวทนาหลงพอใจไม่พอใจหลังจากนั้นก็มารู้ตัวจิตที่มันเป็นผู้พอใจไม่พอใจรู้พอใจไม่พอใจรู้รักรู้ชังก็มาดูตัวจิตก็เห็นว่าจิตนี้มีอยู่ให้เรารู้เฉยไม่ใฉ่เราหลังจากนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ในสิ่งที่รู้ รู้เข้าไปในความรู้โนอ่อนงรู้ในรู้รู้เหนือรู้ต่อมาก็มารู้จักสภาพของความรู้เรียกว่ารู้ความจริงในความรู้ใครที่เป็นผู้ที่เป็นจิตแท้จิตนี่มันคืออะไรแท้ๆได้รู้จักเย็นรู้จักร้อนรู้จักอ่อนรู้จักแข็งรู้จักมืดรู้จักแจ้งรู้จักสว่าง โดยไม่ต้องไปตั้งใจรู้เปิดไฟมาปั๊บสว่างวาบก่อรู้ดับไฟปั๊บมืดปุ๊บก่อรูโดยไม่ต้องไปหัดไปเรียนนี่ความรู้ที่เป็นออริจินัลไม่ความรู้ของจิตเดิมแท้ที่เป็นปึ้งซิมที่ภาษาจีนพูดอยห า, าปุเพลจิตตั้งจิตแท้จิตเดิม มันรู้อยู่เฉยๆอย่างนี้แหละมันยังไม่มีกิเลสตัณหาเข้ามาอาศัยวิญญาณไม่ไปแอบเอิงอาศัยกับความพอใจไม่พอใจวิญญาณังอนุสิโตแต่เดี๋ยวนี้มันเข้าไปอาศัยทีนี้เราถอนออกมาถอนออกมารู้รู้รู้รู้ในสิ่งที่รู้รู้ในสิ่งที่หลงรู้เขาไปในสิ่งที่รู้ทีนี้ก็มารู้ความจริงของความรู้ไอตัวความรู้ที่แท้จริงคืออะไรใครเป็นผู้รู้ไอตัวจิตที่มันรู้เอาที่แท้จริงคืออะไร อันนี้เราวารู้ความจริงในความรู้ธรรมานุปัสสนารู้ธรรมานุปัสสนาท่านให้เรากำหนดรู้พวกนิวรหา้าคันหา้าอายตนะสิบสองพชงเจ็ดอริยสัตว์ดูสิเริ่มต้นดยนิวรกามใครมันมีความรู้สึกกำหนาใครเป็นผู้รู้จัก ตามนี่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงเมื่อจะเกิดเกิดยังไงเมื่อจะดับดับอย่างไงเมื่อจะเกิดขึ้นมาอีกเกิดย่างไรศึกษาเจาะลึกลงไปเลยที น, นี้จะจอดูอ้าวว่จะเห็นธรรมชาติอันนี้เห็นรู้จากธรรมชาติของกาม ร, รู้จากธรรมชาติของนิวรณนทั้งหมดนั้นไม่มีเวลาอธิบายนะฟันนี้นจะรีบจบแล้วก็รู้การทํางานของอวัตนะรู้การทํางานของ ข, องขันฮ่าไม่มีความลับสําหรับเล่า ความรู้มากๆเรามีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะมีปีติปสัสสติสมาธิอุเบคาเฝ้าจ้องอยู่ใกล้ยๆทุกๆธรรมะทุกๆอย่างเรียกว่ามีโพชสง่งจ้องไปจ้องมาก็เห็นทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปก็เห็นอริยสัจกําหนดรู้ทุกให้แจ้งขึ้นมาแล้วก็เห็นตัวให้เกิดทุกข์ขึ้นมาความลงก็ไปเป็นเจ้าของลงก็ไปจิตมันเพื่อมันจ้องดูนู่นความดับลง ในเมื่อไม่มันเถอามันก็เห็นในรถมันก็มั่นใจว่านี่คือมรดกที่ถูกต้องพระศาตดามานั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่กราบทูลถามพระองค์ถ้าหากเราสิ้นสงสัยไม่ต้องถามเดี๋ยวนี้มันมันสงสัยอยู่ตลอดใครบอกมาคุบาอาจารย์ไหนมาเชื่อเมือนกันแต่ไม่เชื่อลึกๆมันยังไม่เชื่อมันยังไม่เห็นเพราะนั้นมันจะเห็นแจ้งเมื่อมันเข้าไปสูตรทำรู้ความจริงของความรู้ วาชิตคดีวิญญาณคดีมโนก็ดีที่มันเข้าไปรู้จากเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่แจ้งสว่างอะไรต่างๆนี่มันไม่มีตัวตนมันเป็นอนัตตาโอ้ยเป็นอนัตตาโอ้ยในความเป็นอนัตตาเนี่ยเขามันรู้แจ้งว่าอา้าไม่ใช่เราเป็นผู้รู้ผู้รู้นี้ไม่มีอยู่ในเราเราก็ไม่มีไม่ใช่เราก็ไม่มีเองช่วยฟังให้ดีนะ เมื่อไม่มีเราแล้วคําว่าไม่ใช่เราก็ไม่มีนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาภาษาบาลีคํานี้สั้นๆนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อเราไม่มีนะใช้ภาษาธรรมดานะเมื่อเราไม่มีแล้วสภาพที่ไม่ใช่เราก็ไม่มีมีอะไร ธรรมชาติล้วนๆสุทธิธรรมมาปวตาตีธรรมชาติล้วนๆที่มันหมุนไปเปลี่ยนไปแปลงไปเกิดเกินตังอยู่ดับไปเราก็ไม่มีไม่ใช่เราก็ไม่มีมีแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ที่ลุดออกมาจากความเป็นเราและไม่ใช่เราเหมือนกับถอดแว่นตาดําก็ไม่ต้องไปมัวเช็ดว่ามันเมื่อยมันคลื่นความเมื่อยคลื่ คุณเขาเหล่านั้นมันก็ลดออกไปความสว่างเจ อ, อ, อเจ้ามาอ้าวแล่ามันหลงอยู่ที่แว่นตาดามความมืดทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่แว่นตาเฮ้ยไม่ได้อยู่ที่ในตามันอยู่ที่สิ่งที่ปกปิดหนูในแว่นตานั้นมัวเช็ดแว่นตาอยู่เท่าไหร่ก็ยังไม่สว่างถอดแว่นตาออกมาแล้วมันก็หมดปัญหาไม่ต้องไปเช็ด เมื่อเห็นคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราเราก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่เรามันก็ไม่มี